บทที่65คณะนายจ้างทั้งสย้ายที่นอนจากเดิมเข้าไปในเพิงพักเก่าของนักสำรวจชาวเยอรมันผู้วายชนเพื่อเป็นเพื่อนมาเรียซึ่งเข้ามานอนซมอยู่ก่อนแล้วเพราะผิดคาดถึงแม้จะคับแคบไปเล็กน้อยแต่ก็เป็นตำแหน่งอันเหมาะที่สุดเพราะมีโขดหินกำบังทางลมเกือบรอบด้านรพินสั่งให้กอ่อไฟใหญ่ไว้สองกองสกัดปากทางเข้าสองด้าน และกำหนดให้เกิดยันและเสยสามคนซึ่งเป็นพวกที่เฝ้าอยู่กับแคมป์ไม่ได้ไปสมบุกสมบันมาด้วยทำหน้าที่เฝ้ายาเพราะหลังแตะถึงพื้นเชฐดาชา ย, ยันและดารินก็หลับลงอย่างรวดเร็วเพราะความอ่อนเพลียอิดโรยที่ะจนมาอย่างหนักดารินเอนตัวลงนอนใกล้ชิกมาเรียเชษดาถัดจากหลอนไปและช ย, ยันนอนอยู่กัน ทางด้านขวาของมาแม่มสาวจัดดูบริเวณที่นอนของนายจ้างเสร็จเรียบร้อยพรานใหญ่ก็คว้าไรเฟิลจุด460เวเธบีแมกนัมของดอเตอร์ฮอปมันพร้อมกับกล่องกระสุนเดินตรงเข้าไปที่แงซ า, ายซึ่งบัด น, นี้กำลังจัดที่นอนอยู่ริมกองไฟใกล้ร้านย่างเนื้อคำสั่งจากนายใหญ่ให้แกใช้ปืนกระบอกนี้แทนกระบอกที่เคยใช้อยู่ เขาบอกพร้อมกับส่งไรเฟิลพิเศษกระบอกนั้นให้ไงสายยันตัวลุกขึ้นนั่งรับมาดูแล้วเงยหน้าขึ้นมองยิงฟันขาวนี่เป็นของนายฝรั่งที่ตายไม่ใช่หรอผู้กองใช่เราต้องการมีปืนกระบอกนี้ติดไปกับคณะด้วยและมองไม่เห็นใครที่จะใช้มันได้อย่างเหมาะสมเท่ากับแกจอมพจรยิบลูกขึ้นมาพิจารณาดูถีบมากมผู้กอง เสียงนั้นเอ่ยมาเบาๆก็ไม่เกินกําลังขนาดแกหรอกคันธนูแรงเหนียวแปดสิบปอนแกยังดึงได้อย่างสบายแรงสะท้อนถอยกลับของจุดสี่หกศกระบอกนี้แกก็ต้องต้านได้พรุ่งนี้ลองดูสักนัดสองนัดก็ได้กระสุนมีอยู่ทั้งหมดสาสิบนัดฉันมอบให้แกเก็บไว้กับตัวทั้งหมดนั่นเลยไงสซทดลองตบก้านลูกเลื่อนขึ้นลำแล้วยกขึ้นประทับส่องดูศูนย์กล้อง ผมไม่เคยยิงปืนติดกล้องมาก่อนเลยนะมันก็เหมือนศูนย์เปิดธรรมดาสะดวกสบายขึ้นจะอีกเพราะเล็งผ่านกล้องขยายเข้าไปกำลังขยายของกล้องที่ติดปืนนั่นเพียงสองเท่าครึ่งเท่านั้นช่วยเล็งยิงได้เร็วขึ้นขัดกล่องหรือไม่แน่ใจยังไงพรุ่งนี้ฉันจะสอนให้เอาละส่งจุดสามเจ็ดห้าของแกกระบอกนั้นให้ฉันคนใช้ชาวโดงส่ง f เอจุดสามเจ็ดห้าแมกนัมของดาริน ซึ่งมอบไว้ให้เป็นอาวุธประจำมือไปให้เขาโดยไม่ปริปากคำใดอีกล้ะพินบอกต่อมาว่าคืนนี้นอนพักให้เต็มที่นะสามคนนั่นจะอยู่ยามแทนให้ก่อนที่เขาจะขยับตัวผลักไปแง่ายก็ถามมาว่าผมได้ข่าว ม, มาว่าในแหม่มจะร่วมเดินทางไปกำราด้วยเหรอเขามองหน้าอย่างค้นหาใช่ทำไมเหรอ หน้านั้นดูเหมือนจะมีแววยิ้มแต่รพินสังเกตไม่ชัดนะักผู้หญิงอยู่ที่ไหนเรื่องยุ่งอยู่ที่นั่นผู้กองคงมีภาระเพิ่มขึ้นอีกละมันไม่ใช่หน้าที่ของแกที่จะออกความเห็นนะหลายครั้งที่ผมไม่ออกความเห็นใดๆผมก็ถูกตําหนิเช่นนั้นไม่ใช่เหรอครับผู้กองยอมพรานคอแข็งฉุนกึกขึ้นมาในบัตรนั้นแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างถอนชิว อารมณ์ของเจ้ากระเรียงผู้ลึกลับทำให้เขาจำนนพูดไม่ออกจริงของมันแต่ก็จริงในข้อที่ว่าสิ่งที่มันควรจะแสดงความเห็นมันก็นิ่งเงียบเฉยซะจนต้องง้างปากกันออกมาแต่สิ่งที่ไม่ควรจะแสดงมันก็ออกความเห็นแย่ประสาทก่อกวนอารมณ์เขาเล่นซะนี่เจาแงซายนี่มันจังลวดลายลึกล้าชวนเปิดสัจริง ระหว่างที่ระพิงยืนหัวเราะหือห้อจ้องหน้าเจ้าคนใช้ชาวดงทําเป็นไม่รู้ไม่ชีช้ซะเบอรสลักลูกเลื่อนไรเฟิลยัดกระสุนเข้าไปในซองทีละนัดแล้วส่งลูกขึ้นลำไว้นัดหนึ่งเหนียวไกกดลูกเลื่อนปิดสนิทลงเป็นการลดนกพลังเอ็นตัวลงวางปืนไว้ข้างๆกายาผ้าเขียนเอวพันปาไว้เหลือแต่ช่องจมูกสําหรับหายใจนอนนิ่ง พรานใหญ่โครงสีสัตย์ช้าๆแล้วเดินตรงไปที่ส่างป่าพรานตองสู่ของมาเรียซึ่งแยกทางจากกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขาคนอื่นๆไปนั่งอยู่ใต้โคนต้นเสดาป่ามีกองไฟเล็กๆก่ออยู่ตรงหน้าสูป ก, กัญชาจากปล้องไม้ไผ่อยู่คนเดียวเขาสุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ตรงหน้าส่างป่าหยิบปืนลูกซองเก่าคร่ำคร่าของพรานตองสูขึ้นมาดู สางปาเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยในตาที่ปราศจากความรู้สึกแล้วถอนปากออกจากกระบอกกัญชาในแม่มของสังปาเป็นอะไรไปเหรอนายเสียงแหบเบานั่นถามมาไม่สบายนิดหน่อยไม่ต้องห่วงรอกพรุ่งนี้ก็หายเขาตอบหักหางเหยี่ยวลูกซองกระบอกนั้นแล้วตกปากลำหักลงปรากฏว่าก้านดันปลอกกระสูกสปริงชำรุดชละ ไม่ได้ดันกระสุนให้ถอนออกจากลำกล้องอันเป็นธรรมดาของปืนลูกซองเดี่ยวบรรจุทีละนัดทั้งหลายต้องใช้เล็บแงะท้ายกระบอกกระสุนดึงออกมาสั่งปาสีใจที่บาดเจ็บซะไม่ได้ไปกันนายเพื่อช่วยนายแหมมด้วยชายผู้นั้นพึมพำมือหนึ่งขยำใบกัญชาที่ซอยเป็นฝอยละเอียดวางอยู่บนใบบอลแต่พวกเราก็ช่วยนายแหม่มของเจ้ากลับคืนมาได้แล้ว บาดแผลของเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะเขายังชั่วมากแล้วล่ะนายถ้าไม่ได้ยาของกระยินสั่งป่าก็คงตายไปแล้วก่อนที่จะสิ้นใจในายคราวเหลืองฝากฝังนายแม่ไว้กับเรานายแม่มเองก็ตกลงใจที่จะร่วมทางไปกับเราตามคําสั่งของนายคราวเหลืองตัวเจ้าเองล่ะคิดยังไงส่างป่าเขาหยั่งหางเสียงเจ้าต่องสู สางปาบรรจุ ก, กัญชาลงปากกล้องด้วยอาการเฉยชาปราศจากความยินดียินร้ายเช่นเดิมได้แม่มไปไหนสา่งปาก็ไปด้วยถ้าฉะนั้นเจ้าก็คิดถูกแล้วปืนของเจ้ากระบอกนี้เขาชูปืนลูกซองของมันขึ้นหัวเราะออกมาเบาๆมันยังใช้งานได้ดีอยู่หรอบางทีมันก็ยิงออกแต่บางทีก็ยิงไม่ออกละนาย ระยะทางที่เราจะไปข้างหน้าปืนทุกระบอกจะต้องยิงออกไม่ใช่ยิงออกบ้างไม่ออกบ้างเพราะฉะนั้นเจ้าจงอรปืองกระบอกนี้ไว้ประจำตัวนะพร้อมกับพูดเขาส่งจุดสามเจ็ดห้าที่เอามาจากแงซายให้สางตาสางตาทาหน้างงเหมือนจะไม่แน่ใจพอรพินเตือนมาอีกครั้งก็เอื้อมมือมารับไปรูปคำด้วยความพอใจพึมพออกมาขนาดเดียวกับของนายแมม ใช่แล้วกระสุนฉันให้ติดตัวเจ้าไว้ยี่สิบนัดถ้าขาดมือเมื่อใดหรือถึงคราวจำเป็นจะจ่ายให้อีกแล้วปืนเก่าของสั่งปาล่ะก็ได้ปืนใหม่แล้วเจ้าก็ไม่ควนห่วงเศษเหล็กของเจ้าท่อนนี้อยู่อีกทิ้งมันไปซะขืนหอไปด้วยกันหนักเปล่าแต่กระสุนยังเหลืออยู่นี่นายไม่เป็นไรเรามีปืนที่ใช้กับกระสุนชนิดนี้อยู่ถึงสองกระบอกดีกว่าของเจ้ามาก ก็สุนเหล่านั้นเอาไปใช้กับปืนสองกระบอกนั้นได้หรือถ้าเจ้ายังเสียดายมันอยู่ก่อนออกเดินทางก็ซ่อนมันไว้เสียที่ใดที่หนึ่งมีโอกาสย้อนผ่านมาทางนี้ก็มาเอาไปมีปืนของนายเขาเหลืองอยู่กระบอกหนึง่งเจ้าใช้กระบอกนั้นได้เหรอสังตาเจ้าตองสูงแยกเขี้ยวและสั่นหัวโอ้ยมันไปเอาสังตาไงายทองสังปาอยากรู้ว่าปืนกระบอกนั้นนายจะเอาไปด้วยหรือให้ทิ้งซะ มันเป็นปืนดีมากนะถึงมันจะตะนะิหนักเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาไปด้วยงซยทรายจะเป็นคนสะพายปืนกระบอกนั้นเพราะเจ้าไม่ถนัดจะใช้ปืนของนายเคาเหลืองฉันจึงเอากระบอกนี้มาเปลี่ยนแทนให้